18 อาจริยวัตรกถาว่าด้วยอาจริยวัตรเรื่องการบอกนิสัยแก่มานพก่อนบวชสมัยนั้นมานพคนหนึ่งเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ บัดนี้กระผมจักไม่น่าชังน่าเกลียดสําหรับกระผมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระ สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวก 2 บ้างมีพวก 3 หรือมีพวกเกิน 10 ได้เรื่องอุปัชฌาย์มีพรรษาเดียว 1 บ้างบ้างให้สัทธิวิหาริกอุปสมบทแม้ท่านพระอุปเสนะวังคันตบุตรมีพรรษาเดียวได ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรอันการที่พระผู้มีพระภาคว่าภิกษุเธอหรือยังพอเป็นอยู่ได้ ยังสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะยังพอเป็นอยู่ได้ก็มีไม่ตรัสก็มีทรงทราบการก็มีไม่ตรัสถามก็มีตรัสถามเรื่องที่เป็น ทรงขจัด ข้าพระองค์ได้ 2 พันภาษะแล้วพระโมคบุรุษการ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเลยโมคบุรุษเธอยังเป็นผู้ที่ผู้อื่นจะต้อง ครั้งตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมเมกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลาย เรามีพันษาครบ 10 เรามีพันษาครบ 10 แต่เป็นผู้โง่เขลาไม่ แม้ภิกษุรูปหนึ่งเคยเป็นอัญยะฤทธีถูกอุปชาว่ากล่าว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 ภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุได้อ้างว่าเรามีพันษาครบ 10 เรามีพันษาครบ 10 แต่เป็นผู้โง่เขลาไม่ฉลาดให้อุปสมบท สัตถีจริงหรือภิกษุทั้งหลายจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉัน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 พลันแล้วทรงแสดงธรรมเมกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุ สมัยนั้นเมื่ออุปชาลีกไปบ้างมีอาจารย์ไม่มีผู้คอยตักเตือนพระอมสอนจึง ออกปากขอแกงบ้างเข้าสุกบ้างด้วยตน ออกปากขอแกงบ้างเข้าสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันทรงเสียงดังในโรงฉันบ้าง จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระ พระผู้มีประภา PAT fancy ศรงธรรมнимิว่า ภรรม thiอ re children เฉยนะคะวิธยา defeating หรือมลุขปุรุธเหล่านั้นและถึง อาจารย์และอันเตวาสิกจักมีความ 10 อยู่อนุญาตให้ 10 ให้นิสัยได้วิธี อันเทวาศิกนั้นพึงโคมอุตราสงเฉวียง อาจารย์ให้อันเตวาสิกรู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้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 ถ้าข้าวมีพึงล้างใส่ข้าวต้มเข้าไม่เข้าหมู่บ้าน ถวายสังฆาฏิที่พับซ้อนกันล้างบาตรแล้วถวายพร้อมทั้งน้ําถ้า เมื่ออาจารย์กําลังพึงห้ามเสียเมื่ออาจารย์จะกลับพึงพึงเตรียมน้ำล้างเท้าต่างรองเท้าขึ้นในระหว่างอาจารย์กล่าวถ้อยคํา พึงพับจีวรเมื่อจะพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลือมุมกันพึง ล้างแล้วเช็ดให้สะเด็ดน้ําพึ่งแดดครู่หนึ่งไม่พึงพึ่งทิ้งไว้ เอาชายไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเก็บจีวรเมื่อ พึงบทจุนเดินตามหลังอาจารย์ไปแช่ดินถือตั่งสําหรับเรือนไฟเดินตามหลัง พึงทำบริกรรมแก่อาจารย์ในเรือนไฟเมื่อจะออกจากเรือนไฟพึง ตั่งรองเท้ากระบึงเช็ดเท้าไว้นำน้ำฉันมาถวายอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องการจะให้เรียนพึง พึงขนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนฟูมอนออกมาวางณที่สมควรเตียงต่างอันเตวาเสกพึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้โครดไม่ให้กระทบบานประตูและกรอบประตูขนกระโถนพนักพิงพึงขนออก ถ้าในวิหารมีอยากเหี้ยพึงกวาดเพดานลงมาก่อนกรอบหน้าต่างและมุม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 กระทโขนพนักพิงพึงพึงแดดเช็ดและจีวรเมื่อจะเก็บบาตรพึงใช้มือข้าง เอาเอาขนดไว้ในไว้นอกเอาขนดไว้ในจึงเจ็บจีวรถ้าลมเจือ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 ถ้าอาจารย์เกิดความรำคาญอันเตวาสิกพึงช่วยบันเทาหรือพึงบอกภิกษุอื่นให้ช่วยบันเทาหรือ ด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงให้เผื่อว่าแก่อาจารย์อันเตวาสิกพึงทําการขนอันเตวาสิกพึงทําการ พึงว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอสงฆ์พึงอภานอาจารย์ถ้า หรืออาจารย์ได้ถูกสงลงตัชนียกรรมนิยสกรรมปปภาชินียกรรมปฏิสารณียกรรมหรืออุเขปนิยกรรมแล้วอาจารย์พึงกลับประพฤติชอบพึงหา ด้วยอุบายอย่างไรหนอใครๆพึงซักชีวรของอาจารย์ถ้าชีวรของอาจารย์จะ ถ้าชีวรของอาจารย์จะต้องย้อมอันเตวาสิกพึงย้อมหรือพึงๆพึงย้อมชีวรของ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 อาจริยวัตะคถาจบ 19 อันเตวาสิกวัตะคถาว่าด้วย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 ถ้าอาจารย์มีจีวรอันเตวาสิกไม่มีจีวรอาจารย์พึงถวายจีวรบริขารอันเตวาสิกไม่มีบริขารอาจารย์พึงถวายบริขารแก่อันเตวาสิกหรือพึงทํา ถ้าอันเตวาเสกเป็นไข้อาจารย์พึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ถวายไม้ชำระฟันน้ำล้างหน้าปูอาสนะถ้าข้าวต้มพึงล้างภาชนะใส่ข้าวต้มเข้าไปถวาย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 ถ้าจีวรชุ่มพึงพึงแดกครู่หนึ่งพึงพึงทิ้งพึงพับจีวรเมื่อพับจีวรพึงพับจีวรให้เหลือมุมกัน 4 ตรงกลางจะได้พึงม้วนประกบเอวใส่ขนอดจีวรถ้าบิณฑบาตมีและ เมื่ออันเตวาเสกฉันเสร็จแล้วพึงถวายน้ำรับบาดมาถืออย่างระมัดระวังไม่ให้คลูดล้างแล้ว พึงใช้มือข้างหนึ่งถือจีวรใช้มือข้างหนึ่งลูบราว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 ไม่ปรึกกี่งานอาสนะพระนวกะพึงทำบริการแก่อันเตวาสิก ปูอาสนะเตรียมน้ําล้างเท้าถ่างรองเท้ากระบึงเช็ดเท้าไว้นําน้ําฉันมา เตียงตั่งอาจารย์พึงยกอย่างระมัดระวังไม่ให้ครูด ถ้าฝาที่ทาน้ํามันหรือพื้นตบคล้นกลับ เตียงตั้งพึงพึงแดดชํระปัดยกอย่างระมัดระวังไม่ประตูและหน้าต่างขนกลับไว้ตามเดิมฟูกหมอนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนพึงพึงแดดชํระตบขนกลับวางปูไว้ตามกระโถนพนักพิงพึงพึงแดดเช็ดถูขนกลับ พึงใช้มือข้างหนึ่งถือบาทใช้มือข้างหนึ่งคลํา ถ้าพัดมาทางทิศตะวันตกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันตกซุ้ม พึงจัดเตรียมไว้ถ้าหม้อชำระไม่มีน้ำพึง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 ด้วยอุบายอย่างไรหนอทรงพึงจับอันเตวาสิกเข้าหาอาบัติเดิมถ้าอันเตวาสิกควร นิยสกัมปปาจณียกัมปฏิสารณียกัมหรืออุเขปณียกัมแก่อันเตวาสิกอาจารย์พึงทำการขลัวยว่า อาจารย์พึงอาจารย์พึงบอกว่า อาจารย์พึงบอกว่าพึงตัดเย็บอย่างนี้หรือพึงทําการขวนขวาย จึงยอมอย่างนี้หรือพึงทํา ภาณวาระที่ 6 จบ 20 ปณามะนาคมาปนาว่า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 ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบหรือ เธอไม่ต้องอุปถากฉันอาจารย์ให้อันเตวาสิกรู้ด้วยกาย ก็ยังไม่ยอมขอเข้ามาอาจารย์ภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบ อันเตวาศิกษุประนามแล้วจะไม่ขอคมาอาจารย์ไม่ได้รูปใดไม่ขอคมาต้องอาบตัดทุกคุษอาจารย์ไม่รับการขอคมาสมัยนั้นอาจารย์ทั้งหลายถูกอันเตวาศิกษุขอคมาก็ยังไม่ยอมให้คมาพิกสุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้เปรียกราบทรณพระผู้มีประภาคให้ทรงสาบ อาจารย์ทั้งหลายก็ยังไม่ยอมให้ขมาอยู่เช่นเดิมทั้งหลายก็ยังไม่ยอมให้ขมาบ้างศึกเสียบ้างไปเข้ารีบเดรัจฉีเสียบ้าง ทรงปรับทุกกฎเมื่อประณามชอบไม่ประณามอันเตวาสิกผู้ประพฤติชอบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล อันเตวาสิกผู้ไม่ 1 ไม่มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ไมไมไม 2 ไม่ 4 ไม่มีความเคารพอาจารย์ 5 ไม่มีความ 5 เหล่านี้ภิกษุทั้งอาจารย์ไม่พึงประณามอันเตวาสิกผู้ประกอบด้วยองค์ 5 คือ 1 มีความรักอย่างยิ่งในอาจารย์ 2 มีความเลื่อมใสอย่างยิ่ง 4 มี 5 มีความหวังดี 5 เหล่านี้ภิกษุทั้งหลาย 5 ควร 1 ไม่มีความ 2 ไม่ 4 ไม่ 5 ไม่มีความหวัง 5 เหล่านี้ควรที่จะ 5 ไม่คือ 1 มี 2 มี 3 มีความละอายอย่าง 5 มีความหวังดี 5 เหล่านี้ 2 ไม่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในอาจารย์ 3 เมื่อเมื่อไม่ประนามย่อมไม่มีโทษประนามย่อมมีโทษเมื่อไม่ประนามย่อมคือ 1 มี 2 มี <ม Ensuite, S 2> 3 มีความละอาย 4 มี 5 มีความหวัง เมื่อไม่ประนามย่อมไม่จบ 21 ภาระอภัยตะวถุว่าด้วยภิกษุโง่ไม่ฉลาดเรื่องอาจารย์โง่เขลาสมัยนั้นภิกษุ อันเตวาสิกเป็นบัณฑิตก็มีอาจารย์เป็นผู้ไม่ฉลาดอันเตวาสิกเป็นผู้ฉลาดก็มีอาจารย์มีสุตะน้อยอันเตวาสิกเป็นผู้หูโสถก็มีอาจารย์มีปัญญาสามอันเตวาสิกมีปัญญาดีก็มีบรรดาภิกษุผู้มีความมักน้อยพาพรรณตมณิประนามโพนทนาว่าฉะไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้อ้างว่า และเป็นผู้ ทรงสอบถามพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่า ว่าด้วยการระงับนิสัยศึกเสียก็ดีมรณภาพก็ดีไปเข้ารีดเดรัจฉีก็ดีภิกษุทั้งหลาย นิสัยระงับจากอุปจา 5 ประการเหล่านี้คือ 1 si อุปจาหลีกไป 2 อุปจาศึก 3 อุปจามรณภาพ 4 อุปจาไป 5 อุปจาสั่งบังคับภิกษุทั้งหลายนิสัยระงับจากอุปจา 5 ประการเหล่า 2 อาจารย์ศึก 3 อาจารย์มรณภาพ 4 อาจารย์ 5 อาจารย์ 6 สัทธิวิหาริกไปเข้าร่วม